คราว น, นี้หนณาตาโรงพยาบาลโมใหญ่มีพยาบาลมาสมทบรวมปฏิบัติธรรมในช่วงเทศกาลวันวิสาขาบูชาเมื่อคืนนอนกันหลับหรือเปล่าหายกุดก็ปิดไฟกันก็ดึกนะบางทีบางคนบางท่านก็นมาตอนดึกก็คงจะได้ที่พักกันหมดแล้วนะ จากนี้เราก็ตื่นมารวมตัวกันทำวัด ต, ตอนเช้าเสียงกองดังตอนตี่ีหลังจากนั้นเราก็ทำวัดสวดมนต์นนกันมาประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงเราก็สวดวดสวดท้ายสุดนี่ชยันโตก่อนหน้านาหุงก็คือวิธีการอาชนะนมาน ร่วมกันแก้ปัญหาปัญหามันเกิดมาหลายทิศหลายทางมีพิษมีภัยต่อองค์สมเด็จตมาตระมือเจ้าจนก็แก้ปัญหาโดยสตินี่ยโดยสมาธิโดยปัญญาโดยความเมตตาด้วยความอดทนวิธีเอาชนะมารเนื่องจากมีมาร มันเกิดขึ้นมาท่านก็นใช้ปัญญาที่เกิดจากการบรรุธรรมผ่านปัญหาผ่านอุปรสรรคจนเป็นคำเล่ารือเรื่องรือมาถึงยุคเราปัจจุบันนีในบทสวนเช่นอชนะช้างคะนาลาคิลิงนาลาคิลิง ด้วยความเมตตาจางนาลากิริงชถูกมอมเล่าพระเทวทัตเรียมสอนจนขวนญจางมอมเล่าให้จางเลนใส่พุทธองค์ยามเช้าขณะบิน บ, บานชาวบ้านก็แตกตื่นกันหลบไปก็ละทิศก็ละทางนะว่า องสมเด็จสมาจากั น, นิ่งแล้วก็ใช้ความอ่อนโยนความเมตตาความนุ่มนวลจน้างนาลากิลิงค่อยๆสยบมอบลงอยู่แทบพระบาทก็เเ็นที่อาจจันใจกันของชาวบ้านชาวเมืองเมื่อกี้ที่เราสวดกันนาลากิลิงกหมายถึงตรงนี้มีพระเมตตา แต่ก่อนหน้าที่เกิดปัญญาขึ้นมาเนี่ยเราก็ทราบกันดีทางพุทธประวัติว่าเจา้าใจเจ้าเหรุนะพูดออกมาก็มีลักษณะเด่นวันแรกปัญญาโกฏัญญะก็เป็นโหแล้วก็ทํานายว่าต่อไปเด็กคนนี้จะได้เป็นศาสดาเอกของโลกพระเจ้าสุโธทนะก็กราบทันทีพอกราบโลกครั้งที่หนึ่ง ไม่ได้เกี่ยวกับอายุไขไม่ได้เกี่ยวกับอะไรทั้งสิน้นเมื่อเราทราบถึงบุญบารมีของเด็กคนนี้เรากล่าวได้ทันทีอาจจะเป็นความคิดแบบนี้ขอาพระเจ้าสุโธธนะครั้งต้นครั้งที่สองวันจรลดพนังคันแรกนาขวันเด็กชายสิทธะตอนอายุเจ็ขวบก็นั่งสมาธิอยู่ตายตนว่า ในวันนั้นก็ได้สมาธิระดับที่เกว่าอุปจารสมาธิกะดังนิ่งจนไม่ได้หลบแสงพระาทิตย์ไปทิศทางไหนทั้งสิ้นมีความเย็ยนอกเย็ยนใจเย็ยนจนต้องมีการเปรียบเทียบวงเงาของต้นว่านมันปกป้องคุ้มครองทำให้เกิดความรมเย็ยนเป็นเงาแม่ร้อนพระแสงแดดแม้กระทั่ง บ่ายคลอยไปล้วเงาก็ยังอยู่ไปทางทิศตะวันตกนะเด็กชายศิริษา์หันหน้าไปทางทิศตะวันตกเงาต้นว่าก็ยังทาบร่างของเด็กชายศิริษา์อยู่อย่างนี้ในทางวิทยาศาสตร์นี่เป็นไปไม่ได้ที่พระทิตย์ไปทางทิศวันตกเราหันหน้าไปทางทิศวันตกนั่งอยู่ใต้โคนไม้แล้วเงาต้นไม้มันจะคลุมร่างของเราอยู่ ปกปิดให้ความร่มเย็นอยู่แต่ในทางวิทยาศาสตร์มันก็พิสูจน์ได้ในแง่ที่ว่าก็ความเย็นในใจไงเหมือนชาวนาดำนาแล้วก็เย็นมีความสุขกับการทำงานก็ไม่ได้ร้อนนักกีฬาเตะฟุตบอลอยู่กลางสนามแจ้งแจ้งแดดเปี้ยงๆแตใจมีความสุขสนุกคนเชียก็เหมือนกัน มีความสุขสนุกใจเย็นท่ามกลางแสงแดดช่วทั้งยุคปัจจุบันมีการเปรียบเทียบว่าเย็นได้ในเตาหลอมเหล็กในเตาหลอมเหล็กถึงจะร้อนขนาดไหนถึงจะมีปัญหาขนาดไหนแต่เมื่อมีปัญญามันก็ผ่านได้จากร้ายกลายเป็นดีจากผิดกลายเป็นถูกชั้นใดก็ดีการเปรียบเทียบแบบวิทยาศาสตร์เด็กชายเสือแตะ ตอนอายุ7คขวบนั่งใต้ตนว่าก็เป็นอย่างนี้และก็เป็นที่อาศจรรย์ใจนะพระเจ้าตวหน้ากล้าเป็นครั้งที่2 อ, อันนี้เด็กชายที่้าโตขึ้นมาสามารถเรียนรู้นะตรร ก, กวิทยาเราก็เก่งมากเป็นระดับหนึ่งเลยรนะดับตนตนของประเทศจนกระทั่งเหมือนกับว่า พระเจ้าสุโธทนะก็วาดวังไว้จะผลักดันให้เป็นจักรพรรดิโดยการให้เด็กชายหรือใดอยู่แต่ในรั้วในวงังว่ า, วากันอย่างนั้นมันจริงหรือไม่อันนี้เราก็ฟังหูไว้หูแต่ถ้าจะคิดจะเปรียบเทียบต่างๆก็มันก็เป็นเหมือนกับเราในยุคปัจจุบันนี่แหละก็คือพ่อแม่ก็ต้องการส่งให้ลูกเป็นที่หนึ่ง สามารถที่จะแข่งขันสามารถเป็นที่หนึ่งในโรงเรียนในสถานศึกษาต่างๆในชจยี่เธอก็มีครอบครัวในท้ายสุดะจะต้องคลอดพลาหุนออกมามีความเบื่อหน่ายเห็นแล้วก็โอ้ปัญหามันเกิดขึ้นมาพลาหุนเกิดขึ้นมาบ่วงเกิดขึ้นแล้วหนอห่วงเกิดขึ้นแล้วหนอมีความรักลูกมีความรักครอบครัว แต่ว่าเห็นว่าหนทางแห่งการพ้นทุกข์หนทางออกจากทุกข์นี่มันจะต้องมีแน่นอนหลังจากที่เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วเห็นสมณนะก็จึงตัดสินใจในวันที่กวาดภราหุนออกมาจะต้องแสวงหาโมกธรรมมันมีความแก่ความไม่แก่ก็ต้องมีมีความเจ็บ ความไม่เจ็บก็ต้องมีมีความตายความตายก็ต้องไม่มีต้องมีเนือเกิดเนือแก่เนืเจ็บเนือตายเหนืทุกข์เนีมันจต้องมีออกทํางานวิจัยออกทดลองพิสูจน์ด้วยตัวของตัวเองสแสวงหาโมกธรรมออกมากับนายฉันนะพร้อมกับม้ากันทะ ก, กะอันเนี้ย ขอไล่ประวัตินิดหนึง่งประวัต น, นี้เป็นวันสําคัญจริงๆเราก็จะไม่นั่งงงเหาๆนอนกันให้เป็นเรื่องของการน้อมกันมาพร้อมกับความรู้ที่เราเคยเข้าใจในเรื่องของพุทธศาสนา น, นิดเดี๋ยวจะโยงกับอา า, าว่าของปัจจุบันมารวมตัวกันวันนี้อะไรคือความยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นใจชนะของเราเหมือนกันในวันนี้ยนเดังนั้นเราก็ตั้งใจฟังกันต่อ มืตัดสินใจแล้วออกบวชนะนะก็เดินมาเข้าป่าถอดชุดนะจะหลงพระวงให้กับขอทานไปนะจะลอาใส่ชุดของขอทานเดินเข้าป่าเนะมื่อเข้าป่าไปแล้วนะก็ตั้งอกตั้งใจนะจะนั่งสมาธนะิตั้งใจที่จะแสวงหาครูบาอาจารยนะ์ก็ไปเจอครูาอาจารย์สนะอนให้นั่งสมาธิ จนกทังมือนกว่าได้สมาบัติจ็ดสมาบัิแปดก็คือสามารถที่จะมีความสุขจากไปในจากการได้นั่งสมาธิได้อยู่อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งแต่ว่าจิตไม่เกิดปัญญาเมื่อเห็นอย่างนี้พระองค์ก็จึงเลิกไม่สนใจแล้วที่จะมาเป็นทุกขเวรยาแล้วก็นั่งสมาธินิ่ง เดินทางหมดเรียวหมดแรงกระเซาะกระเซิงเดินมาที่พุทธคยาหรือปัจจุบันนี้คือรัชพิหารราชพิหารของประเทศอินเดียทางตอนใต้มาเจอกับ น, นางสุจดาก็ถวายข้าววัตถุปายาสนางสุจดาก็นึ่เป็นเทวดาเกลาข้าวมัตถุปายาสมาบวงสวง เจ้าชายดก็ได้อาหารที่เป็นวระโย์ต่อร่างกายในวันนั้นพมีเรี่ยวแรงก็เดินข้ามฝั่งแม่น้ำในลัญชลามานั่งอยู่ใต้ต้นสีมหาโพนั่งทนศิลาอา่านโสธยาพรามก็เอายาคามาถวายแปดกรรมมือก็โปนั่งเสร็จแล้วก็นั่งคิดว่าครั้งนี้ไปนนั่งครั้งสุดท้ายในชีวิต แต่ทำ ม, มาที่เราควรรู้ควรเห็นด้วยเรี่ยวแรงของบุรุษเราจะไม่หยุดทำความเพียนเสียถึงแม้เนื้อหนังเอ็นกระดูกจะเหิดแห้งเลือดเนื้อจะเหือดแห้งไปจากร่างกายของเรากระดูกหนังเมือเอ็นพวกนี้จะพูกพังไปจากร่างกายของเราเราจะไม่สนใจเลยจะนั่งเป็นกลางสุดท้ายจริงๆก็เลยแสดงความใจเพชรออกไปเสร็จแล้ว ยามสามก็คือเวลานี้แนหะีสามตุ่นหกมงเช้าก็บรรลุอาสัก ย, ยาณในวันเพ็ญเดือนหกเกนสิบห้ายามสามปิลากาเป็นวันพุธมีความสำเร็จแสวงหามก ok ธรรมจนค้นพบยามหนึ่งยามสองยามสามผ่านอะไรบ้างยามหนึ่งก็ผ่าน ทิดาทั้งสามของพญามารนะคือนางราคานางตันหานางอารตนะีแสดงตัวออกมาพงก็เฝ้าเห็นอาการต่างๆมันปรากฏออกมาต่อมาก็คือท่านก็เห็นลักษณะของนางกิเลสตันหาอาตินะเกิดขึ้นมาแล้วก็หายหไป ในความตั้งมัน่นมีสมาธิแน่วแน่สมาธิก็คือลักษณะของจิตใจที่ตั้งมั่นแน่วแน่ก็สิ่งที่เรากำหนดอยู่เราทำอยู่อย่างใดอย่างหนึ่งต่อมาก็คือตพงก็ผ่านลักษณะของนิวรธาธรรมต่างๆที่เป็นเครื่องเศร้าหมองครอบอยู่ในจิตใจ นอนเนื่องอยู่ภายในจิตใจขณะของกิเลสอย่างกลางก็คือที่เ ร, รรทำเป็นความพยาบาทเป็นเรื่องของการมาคะต่างๆเป็นเรื่องของอารมณ์ที่เกิดจากการคิดนึกปงแต่งแสดงออกมาความรังเลสงสัยเป็นเหมือนเงาที่บังพระจันทรญเมฆหมอกที่บังพระจันทร์ญจนพระจันร์สอดสองมาถึงพื้นดินไม่ได้นะ ไม่เห็นสภาวะของจิต ท, ที่ว่าสว่างใสแต่พอเห็นแล้วนะของนิวรณ์เห็นจิต ท, ที่ผ่องใสเหมือนนักปฏิบัติเวลาปฏิบัติธรรมเราเห็นนิวรณ์เราทเนี่ยมันมัวเนี่มันคุนทําให้ใจของเรามันหมองเจ้าไม่มีความสว่างสวัยอยู่ภายในเกาการมึนมึนงงเบลอยแต่พอเรามีสตินก็จะเห็นว่าความรู้สึกตัวเนี่ยมันทําให้จิตของเรามันแจ่มใสขึ้นมาอีกครั้งนึง เปรียบเทียบได้อย่างเนี้คราว น, นี้ต่อมาท่านก็เห็นลัคนาของโลกธรรมนะที่มีธาตุสี่มันสัดกระนําชีวิตของเราอยู่ตลอดเวลาธาตุน้ําธาตุไฟธาตุดินธาตุลมนมันกระนำํำเหมือนกับว่ามันจะให้เรานอยู่ไม่ได้ในโลกใบนี้บางทีก็มีอาการจากภายนอกนที่เป็นธรรมรมจากภายนอกนะรูปธรรม หรือว่าลักษณะของเสียงูปลดกินเสียงโพธพะพวกนี้การกระทบสัมผัสของร่างกายเรามันก็มีอาการต่างๆที่เราจะต้องเหมันกับว่าผ่านผ่านอารมณ์ฝนตกแดดออกไม่ได้วันไหวอะไรเลยต่อมาก็คือมีอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมาจาก ภายนอกนินทาสรรเสริญมีลาบเสื่อมลาบมียอดเสื่อมยศมีสุขมีทุกโลกธรรม8เนี่ยมันกระนำนะท่านก็ผ่านตลอดใช้การนิ่งใช้สมาธิใช้ปัญญาพิจรารณาใช้สติมีความรู้รู้ตัวรู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันมันก็เป็นแดนของกรรมฐานเป็นแดนของโลกุตธ ร, ธรรมไรรม่ใช่แดนของโลกิยธรรม มนุษย์หรือว่าพระองค์ก่อนที่จะเห็นอาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นปรากฏขึ้นตามความเป็นจริงแล้วเกี่ยวข้องถูกต้องก็เคยเผอหลงไปเหมือนกันหลงไปกับลมภายนอกเหมือนกันที่พวกเราปฏิบัติธรรมกันเหมือนกันเมื่อวานหลวงพ่อคำเขียนท่านเทศว่าถ้าใครปฏิบัติธรรมแล้วก็เจอในวัฏฏธรรมแสดงว่าถูกต้องแล้วมีความถูกต้องแล้วเดินทิศทางเดียวกับพุทธองค์ พอพระองได้พูดเอาไว้เหมือนกันในคำเภียงในพัตติวิโดกหรือว่าในคําสอนต่างๆก็เรียกว่ามีอุบายที่เอาชนะมาทั้งปวงเหมือนกับเมื่อกี้ที่เราสวดพาหูนั่นเป็นอุบายที่เอาชนะมาหรือเรียกว่ากุศโลบายอุบายที่เป็นกุศลหรือว่ามีความฉลาดเมื่อเกิดอะไรขึ้นมาแล้วว่าผ่านได้ด้วยปัญญา โดยสติโดยสมาธิด้วความอดทนอดกลั้นด้วยเมตตาวาณาเมตตาเวขาการวางเฉยต่างๆมันก็นแนวคําสอนที่หลวงปู่เทียนท่านสอนให้รู้ซื่อให้รู้เฉยเฉยรู้ซื่ อ, ร, อรู้เฉยเฉยก็ต้องทําให้เป็นเกินไหวรู้สึกตัวนั่งพลิกมือรู้สึกตัวรู้ว่ายกขึ้นมารู้สึกตัวนะ เคลนมาวางที่จะเดือรู้สึกเตืองแลว้วก็รู้เฉยๆเวลามีอารมณ์อะไรกัดขึ้นมานเช่นมันง่วงอย่เงี้ยรู้เฉยๆแต่ถ้าไม่รู้เฉยๆการสติมันเข้าไปในความง่วงก็นั่งสงบได้หรือมการเจ็บปวดเมื่อยเกิดขึ้นมาอาการของกายถ้าเราไม่รู้เฉยๆเข้าไปในการเจ็บปวดเมื่อยทุกขเวทนาก็แสดงออกมาสุขทุกข์จิตใจของเร า, าไหลเข้าไปในสุขทุกข์ใจก็สุขทุกข์ไปด้วย กเรียว่การของจิตจิตใจของเรามีรู้กับหลงนะถ้ามีสติรู้สึกตัวอยู่มันก็ไม่หลงเข้าไปในอาการเวทนาสุขทุกข์ต่างๆแต่ถ้าไม่มีสติการสติมันก็หลงเข้าไปในความสุขความทุกข์ไม่เห็นเวทนาในเวทนาไม่ใช่สตัวตนบุคคลเราเขาแต่พระพระองค์ได้เห็นแล้วก็ผ่านตลอดจะทังท้ายสุดพยามาณตัวใหญ่สุด เ่ีกิเลสตัวพ่อนมันก็คือรูปลอยของความคิดพยามารที่เป็นพ่อของกิเลสทั้งหมดนก็คือตัวหลงหลงก็ไปในความคิดท่านเห็นแล้วเอมันเหมือนเราที่สุดในโลกหลตัวความคิดเหมือนกับพระองค์มากแล้วก็บอกว่ามันคือพระองค์พระองค์คือมันพระองค์ได้อาศัยมัน พระองก็ให้นะพระแม่ธรณีก็คือสมาธิด้เป็นพยานเอานื้วจิ้มลงไปห้านิ้วบอกพระแม่ธรณีก็ปลอดเป็นพยานเราได้นั่งอยู่บนราชบัลลังก์เนี้ยมาก่อนเราเป็นเจ้าของพระท่นศิลาอาน์หรือราชบัลลังก์พญามารก็จำนนเลยพอให้พระแม่ธรณีเป็นพยานพญามารก็ ถูกรู้เท่ารู้ฐานแล้วสลายล่างไปทันทีตรงนี้ยปลงก็ชนะหมายถึงชนะความคิดของตัวเองเห็นความคิดของตัวเองเห็นจุดกําเนิดของความทุกข์ที่มันเกิดแล้วก็ครอบงาชีวิตของเรามาทั้งชีวิตมีอํานาจมีอิทธิพลมันก็คือตัวความคิดของเราเองเมื่อมาถึงยุคเราะความคิดยังมีอยู่เราทุกคนก็อยู่กับความคิดน เราก็ถูกความคิดใจอำนาจใจอิทธิพลอยู่เหมอือนกับสมัยที่องสมเด็จสมาเจ้าท่านมีประสบการณ์จนกระทั่งยกเราในความสอนนี่ก็ยังปรากฏอยู่ให้เห็นกายเคลื่อนไหวให้เห็นใจมันนึกมันคิดท้ายสึกก็คือจะเห็นอจิตของเราที่ขาดสติไม่รู้สึกตัวมันชอบหลงนี่ใสของพุทธชนนี่ใสของคนทั่วไปนี่ใสของคนที่ไม่เคยฝึกจิต ก็จะมีภพภูมิต่างๆให้เราได้ตกลงไปที่เรียวัณโลกที่เรว่าสวรรค์เป็นเมตตาเป็นพรหมหรือว่าเป็นพระมีสติมีปัญญามีสติแล้วแลอยู่มีสติแล้วแลอยู่งเป็นสมาธิสูงสุดทีเดียวเรามาฝึกสมาธิมาเจริญสติกันนะท้ายสุดสมาธิสูงสุดก็คือมีสติแล้วแลอยู่หรือว่า เคลื่อนไหวรู้สึกตัวรู้สึกตัวคือมีสติแล้วแลวอยู่นะกับอาการต่างๆเกิดขึ้นมามีอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นมาแล้วมีความคิดกี่ความคิดต่างๆเกิดขึ้นมาแล้วก็รู้เท่ารู้ทันทุกครั้งที่คิดก็รู้สึกตัวมันก็จะมีกุจ โ, โลบายนะที่เราไม่ต้องมาค้นคิดหรือว่ามาคิดหาคิดเห็นไม่ต้องอนงะสมเด็จสมัมมาเจ้าค้นพบแล้วนะ เราก็เรียนรู้เรียนตามพ่อกอดตามครูบรมาครูของเราคือองสมเด็จสัมมาสมมัมพุทธเจ้านะท่านมีพระมาหากราุณาธิคุณอันบริสุทธิคุณนะมีเมตตาที่คุณนะเราก็น้อมนะนะรับเข้ามาในฐานะที่เป็นชาวพุทธในฐานะที่เป็นมนุษย์เดี๋ยวในโลกใบนี้เรามีวิชากรรมฐ า, านนะวิชาเจริสถตรีฐานนะ ยังหลงเหลืออยู่มีกลิ่นไออยู่ชัดเจนเดวะตอนที่เจ้าชายทิทะชันเก้าของนางสุชาดาขณะนั้นทาทองก็ไม่ไดเอากลับไปหรือว่าชามกละมังหรือว่ากระลากะโหลกที่ใส่อาหารก็ไม่ได้คืนนางสุชดาเอากลับไปพปรงได้เดินไปริมฝั่งแม่น้ําในลจ์ลา เสร็จล้วก็อธิษฐานจิตนว่าถ้าหากว่าจะได้นบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณก็ขอให้ถาทองนี่ลอยตัวน้ําไปพอวางไปมันก็ลอยตัวน้ําปจริงๆแล้วไปจมลงลงไปใต้บาดาลถาทองกระทบหัวพญานาคพญานาคก็สะดงตื่นขึ้นมามีคนบรรลุธรรมอีกแล้วเหรอ มีอคสมเด็จจำมาเจ้าอุบัติขึ้นมาในโลกนี้แล้วหรืออันนี้มันหมายความว่าอย่างไรอาตมาหรือผมเคยได้ยินหลวงปู่เทียนท่านอุปมาว่าไงตัวนี้ว่าถาทองนะที่อยทวนกระแสเนี่ยถ้ามันจะเป็นจริงได้ก็หมายถึงว่าเราทวนความคิดของเราความคิดนี่ไหลอย่างกัะน้ำคิดแล้วคิดอีกเรื่องนี้จบ เรื่องใหม่มาเรื่องนี้เป็นเรื่องเก่าจบไปเรื่องใหม่ก็มาอีกนะจนฟุ้งซ่านตอนนี้การที่เราจะทวนความคิดออกมากลับมามันก็ต้องมีความรู้สึกตัวเบื้องต้นให้รู้สึกในขณะที่เคลื่อนไหวกายเคลื่อนไหวใจรู้พลิกมือตั้งรู้สึกตัวยกขึ้นมารู้สึกตัวรู้วเดินจงกลมเท้าก็ทับพื้นเคลื่อนไหวรู้สึกตัวขณะเคลื่อนให้รู้สึกตัวขณะหยุดให้รู้สึกตัว เป็นคุตโสรบายเป็นหลักแล้วก็ทวนกลับมาตลอดมันไหลไปนในความคิดก็เป็นปุถุชนคนทั่วๆไปเมื่อเราปฏิบัติธรรมฝึกหัดอยู่ก็ต้องทวนกลับมาหาความรู้เนะื้อรู้ตัวกายกันไหวใจรู้ตรงนะี้ทุกๆคนนะเราก็จะได้เห็นนะเออมันก็จะไม่ไหลไปตามกระแสะของความคิดเราเรียวกระแสะน้ําก็ว่าได้มีหลักเกาะอยู่ น้ำจะไหลเชี่ยวแรงขนาดไหนความคิดจะปั้งพนะลูทะักล้นมาขนาดไหนก็ตามนักกรรมฐานก็มีหลักของกรรมฐานอยู่นะก็คือเคลื่อนไหวรู้สึกเคลื่อนไหวรู้สึกนะรู้กายจนเป็นวัตถุรูปธรรมเห็นจิตใจเป็นนมามธรรมมันก็ได้หลักของวิชากรรมฐานขึ้นมาเบื้องต้นนะสติก็จะตื่นขึ้นมานะนะมีความง่วงเกิดขึ้นแล้วก็รู้สึกตัว มีความสงสัย ล, ล, ลังเล็กอาเรารู้สึกตัวมีความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นมาเราก็รู้สึกตัวมีการพยาบาทเกิดขึ้นมาแล้วก็รู้สึกตัวคิดไปอดีตเรารู้สึกตัวคิดไปอนะคปนะคาคตเรารู้สึกตัวคิดวิพาษวิจารณ์เรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนู้ น, น, นทําไมทําไมทําไมต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้นมันไม่น่าจะเป็นเลยมันน่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตอนนี้มันคือตัวความคิดก็ให้กลับมาที่ความรู้เนืรู้ตัวรู้สึกตัวเี้ย เรียกว่าลอยถาดตวนวกระแสเจ้วถาดกระจมลงไปถ้าถาดลงต่ำก็หมายถึงว่ามุดลงไปในน้ำก็เหมือนกับเรานะดูสภาวะจนกทั้งมันเข้ามาข้างในเห็นความง่วงมันก็จะงโง่หลงงมงายแล้วก็มึนเรียกว่าใสยศาสตร์พอมันมีความรู้สึกตัวถูกเคาะสะดุ้งตื่นขึ้นมาจากความง่วงเลย มันทุกครั้งนะที่รู้สึกตัวนะมันก็เหมือนกับถูกเคาะจิตใจของเราเหมือนถูกปลุกนะมันก็ปลุกจิตที่มันตื่นขึ้นมาอยู่ตลอดเวลานะมันลหลงไหลไปมงคลตื่นข่าวอย่างเงี้ยนะเจออะไรแปลกๆเนี้ยสนใจแล้วก็ตีเป็นเลขกันนะบางทีคนมาวัดมาวาพยายามตีเป็นเลขกันอย่างเมื่อวานนะกลุ่มของกำนันทำบ๊นะวยหวานนะพาคนมาทีนี้ มาช่วยก็ทํางานทําการพยายามหาเลขกันด้วยมีเลขอะไรอยู่ตรงไหนมั่งฟังพระพูดพระจะพูดอะไรคนงานก็เหมือนกันพยายามตีเป็นเลขกันนะทํางานไปพระพูดอะไรก็ตีเป็นเลขกันใหญ่กัรนี้เงินดีแล้วนะคนงานมันโดนแหมดีใจใหญ่เลยนะงานการเนี่ยกําลังทําอยู่ทีเดียวรู้ว่าถูกหวยวิ่งวันนั้นลอพลาดเนี่ยวดีใจเหมือนกับนักบอลที่ชุดฟุตบอลเข้าประตูนะ ดีใจหน้าดูและทำท่าทางมีอาการแปลกแปลกปลกปลุ่มพระพิษปกติเรโอมาวัดมาว่าวคนปฏิบัติเก็บารมณ์เกมก็เดินรู้สึกตัวกันนิ่งๆแต่ว่าคนที่ถูกหวยห้หลงก็ไปนในความคิดหลงดีใจวิ่งปล่านกลุ่มวานกนเหมือนกันเห็นเก้าอี้ในไวนิ่วนะนะคือกำนันเนี่ยสั่งให้พระทำไวนิ่วนะไวิ่วที่ต้อนรับในอเภอวนนีะนะ้ กำนันมาสั่งให้พระธรทำกำนันไปทําเองบอกโค้งว่าอาจารย์สนใจอาจารย์แจ็คอยากได้ไวเนลแรก็เลยต้องไปทําให้เมตตากับอาจารย์หนุ่มไปทําให้ในนั้นนํายีภาพอาตมาก็ถ่ายรานินโค้งนะพอถ่ายเข้าไปเนะี่ยมันจะมีเก้าอี้สีฟ้าอยู่สองตัวเก้าอี้สีฟ้ากับแขวนอยู่บนต้นไม้ คือธรามาสั่งให้คนเวลาปฏิบัติเสร็จเนี่ยต้องเก็บแสดงถึงความมีสติเข่ารถเก้าอี้ใช้เสร็จเก้าาอี้ไปแขวนต้นไม้ด้วยกันนี้เก้าอี้มันก็แขวนต้นไม้มันก็ลอยกลาอากาศนะนะในภาพตัวหนึ่งก็ตั้งบนเด่นียตัวอื่ลอยอัศจรรย์ใจก็ตีเป็นหวยนะไรกันนี้เก้าอี้เก้าก้าวอ่ะนะก็ตีไปอี้อ้ออ่างอี้ตีเป็นเลขอะไรแล้วแต่โยนะ นี่ไม่ใช่บอกหัวยยามเช้านะแต่ยังบอกว่านี่คือวิชาโง่หลงอมไงไร้สาระเป็นเดรัจฉานวิชาวิชาอุบาทนะเป็นของไสยศาสตร์ศาสตที่สอนให้คนหลับไหลแตกต่างจากคนที่มีความรู้รู้ตัวรู้สึกตัวอันนี้เรียกว่าพุทธศาสตร์ทุกครั้งที่รู้สึกตัวนะพุทธภาวะพุทธะวิชาความรู้ใงการตื่นมันเกิดขึ้นไหมมันจะเห็นโลกตามความเป็นจริง โลกนี้มันเป็นยังไงอ่ะรูกระทบทางตาเราเคยดีใจเสียใจเคยชอบเคยไม่ชอบป่านนี้มันเห็นเฉยเฉยเห็นซอยเห็นไม่ใช่สัตัวต์วตนบุคคลเราเขาว่ามันจะเกิดขึ้นมาทุกครั้งที่รู้สึกนั่นแหละได้ยินเหมือนกันบางทีมันมีเสียงคนงานเขาทางานก่อสร้างมีเสียงคนพูดคุยกั น, นเมื่อวานนะคนมาทํางานก็จะพูดคุยกันเดี๋ยววันนี้ก็จะมีอีกนะ แนะต่งใจของเรามันเฉยได้เพราะว่ามันรู้สึกตัวเพราะด้านคนใหม่หนะรือว่าคนปฏิบัติเก็นะบอารมณ์เข้มในช่วงต้นระยะต้นนะพยายามเคลื่อนไหวรู้สึกตัวเข้าไว้ไม่ขนาดนี้ก็ตามฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมใจของเราจะไม่ออกไปข้างนอกนะเหมือนกับ น, นิสัยความเคยชินเก่าๆของเรานะมันจะกลับมาหาตัวเราเองข้างในนะรู้เนื้อรู้ตัวรู้สึกตัวนะนะบางทีอาจจะมีอาการเพ่งจี้จ้องบ้างนะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวจะปรับสมดุลให้เรานะ มันเข้าข้างในมันไม่เข้าตลอดเพราะกฎของพระไตรลักก็ต้องแสดงทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่แน่ไม่เที่ยงมันเพ่งได้เดี๋ยวมันก็หลุดออกจากความเพ่งได้เหมือนเผลอเดี๋ยมันออกจากความเผลอได้สังเกตปรากฏการณ์นี้ให้ดีแต่ว่าในขณะที่ฝึกเนยเราใช้รูปแบบเพื่อที่จะจําลองแล้วก็นั่งดูมันจริงๆตรงๆลงไปฝึกหัดมันจริงๆลงไปมันถึงมีเทคนิคปฏิบัติมีรูปแบบการปฏิบัติ มีมากมายเละเกินวิธีเรานั่งสร้างจาังหวะเนี่ยเดินจงกรมนั่นถือว่าเป็นหนึ่งใน5วิธีหนึ่งในห้าวิธีในประเทศไทยที่สามารถเผยแผร่ได้ทั่วโลกหยบหนอพองหน่อเป็นวิธีหนึ่งสามมาหลังก็เป็นวิธีหนึ่งอาณาปานาสติก็เป็นวิธีหนึ่งอีกหลายวิธีเกิดขึ้นมาแต่ว่าวิธีการเคลื่อนไหวนะมัเป็นหนึ่งใน5วิธีที่สามารถเผยแผ่ได้ทั่วโลก เพรานนคนมาใหม่วันนี้ที่จะเริ่มต้นปฏิบัติกันก็อย่าแปลกใจว่ามาทําอะไรกันนะเคลื่อนไหวรู้สึกตัวเนะอันนี้มาก่อนยุบหนอพองหนอที่วัดมหาธาตุถึงเป็นวัดดังของประเทศไทยนะะพิธีการเคลื่อนไหวนะไปที่นั้นก่อนเพื่อนเคลื่อนไหวยกมือรู้สึกตัวนะพราะพาม่าไปสอนนะตอนหลังก็ไปยกไปเป็นยุบหนอพองหนอนั่นเองเป็นกรรมบริกรรมใส่ลงไปด้วยนะ ก็เดี๋ยวนี้ ว, วิธีบริกรรมก็ยังมีอยู่ทางแถบชายแดนไทยพมา่ายังสอนกันอยู่นะเคลื่อนไหวรู้สึกตัวนะเคลื่อนไหวมือก็เรียกติงนิ่งติงนิ่งบริกรรมได้วยนะไหวนิ่งไหวนิ่งรือว่าบางที่าก็ใส่คำบริกรรมไปด้วยตายตายตายแน่จรเนี้ยไม่มีใครรอดพ้นเรากจะไม่ตา ย, ยก็เลยเอาคาว่าตายเป็นคำบริก ร, รมกระเคลื่อนไหวไปด้วย ตายตายตายหลวงู่เทียนก็บริกรรมคําว่าตายเหมือนกันแล้วก็ไวน้นิ่งตนิ่งนีบริกรรมเหมือนกันแต่ตอนหลังตัดทิ้งไปทั้งหมดเอาแค่แตะรู้สึกเคลื่อนไหวรู้สึกหยุดก็รู้สึกแค่รู้สึกเสร็จแล้วก็เห็นความคิดติมปลากฏขึ้นมาอยเราฟังท่านพอน้อมมากระทามันก็เห็นอย่างนั้นเหมือนกันบางทีเรารู้สึกตัวอยู่คิดไปถึงเรื่องลูกนะกลับมา เรารู้สึกตัวอยางคิดถึงหน้าที่การงานอ่ะกลับมาเราเคลื่อนไหวรู้สึกตัวอ่คิดถึงเรื่องปัญหาสุขภาพอ่ะกลับมาสัมผัสกระทบรู้สึกมันสอนแบบเนี้เกิดอะไรเกิดขึ้นมารู้สึกตัวรู้สึกตัวเป็นหลักเอาไว้อันนี้แหละมันจะลอยถาดทดกระแสมันจะเดินสู่มักผลเป็นมักเป็นผลเป็นมักเป็นผลอย่างเงี้ยเราจะเห็นเรื่องของความรู้สึกตัวเนี่ยเด่นขึ้นเด่นขึ้น ที่แรกรู้สึกตัวหยาบๆนะเดินแล้วก็รู้สึกยกมือแล้วก็รู้สึกอหยาบๆแต่ตอนหลังมันจะละเอียดขึ้นของมันเองตามกําลังของสติเหมือนกับเรามีเงินน้อยๆซื้อโทรศัพท์ถูกๆอย่างเงี้ยนะราคาห้าหกร้อยบาทนะเื้อรุ่นอามาอะไรไปเนะี้ยถูกๆแต่พอมีตังค์มากขึ้นนะมันมีลูกเล่นมากขึ้นเป็น i ไอโฟนหะ้านเงี้ย น, นะก็หมายถึงว่ามีสตางค์มากขึ้น เป็น i p โ d นไอแราคาแพงๆมีรถก็ราคาแพงๆใหม่ๆขับรถกระบะเก่าๆนะมือสองผุๆเงี้ยโปรแงโปรแงโปรแงวิง่งไปนะถึงจุดหมายเหมือนกันถ้าคนขับเก่งแต่ต่อมาก็เริ่มมีรถมือสองใหม่ๆขึ้นนะเป็นรถยุโรปเมื่อก่อนเล่นรถญี่ปุ่นโตยตานะ้าตอนหลังเปลี่ยนมาเป็นรถยุโรปเงี้ย ต่อมาก็เล่นรถนะที่มันมีสมรรถนะสูงๆล amborghini อย่างเงี้ย perche อย่เงี้ยลาย์หลาย10ิบล้านบาทอันนี้สมมติได้ฟังก็ลูกเล่นมากขึ้นตรมือก็คนที่มีสติมากขึ้นอมันเห็นกายเวหน่เห็นจิตเห็นธรรมใหความละเอียดมากขึ้นทีแรกก็เห็นกายวัตถุรูปธรรมอยู่มันเห็นนมามธรรมเเห็นอารมณ์ต่างๆที่ปรากฏขึ้นมา ขึนอยูตาในคอนิมเปิดสว่างสวัยแสงสว่างแห่ปัญญาก็สอดสองทั่วถึงเห็นความทุกข์เห็นเหตุแห่งทุกข์ก้าวลงออกมาจากความทุกข์มันมีวิธีการดับทุกข์เพราะฉะนั้นรูปแบบของการสร้างสติ14บสี่ยงไวงมันเป็นวิธีการดับทุกข์เป็นวิธีการที่เข้าถึงสู่การดับทุกข์ทุกเกิดภายในจิตใจของเราคิดแล้วกอดคิดแล้วโลภคิดแล้วหลง เหตุก็คือมันชอบหลงมีตัณหาอุปทานเข้าไปในความคิดในอารมณ์ต่างๆเราก็แก้ที่เหตุเลยทุกเกิดจากการหลงเข้าไปในความคิดแล้วก็รู้สึกตัวทันทีทันใดที่เราเคลื่อนไหวรู้สึกมันก็ออกจากทุกทันทีเมื่อเรามีมากๆมันก็เห็นละสิ่งแวดล้อมหรือว่าคุณลักษณะของการฝึกสติ รูปแบบการปฏิบัติมันให้คุณนะมีอานิสงส์ของการมีสติขึ้นมาเมื่อเกิดความสงบระงับขึ้นมานะมีความเย็นเกิดขึ้นมาภายในใจิตใจมีความมั่นคงเกิดขึ้นมาภายในใจิตใจมีความรื่นเรืองแต่ละขนณะในการหายใจเข้าหายใจออกนะทุกครั้งทีนะ่มีอารมณ์มากระทบมันก็รู้ลนะไม่ให้ราคาทางสายตาเห็นสภาวะเห็นได้ยินสวะได้ยินะทางหูกลิ่นสภาวะกินทางจมูกนะ ลินสัมผัสนะรสชาติเสอว่ารสชาติเนี่ยสมองนึกคิดปรุงแต่งอาสักตัว่านึกคิดปรุงแต่งมันก็ไม่ได้มีราคานนมัอาจจะเกิดความเบื่อหน่ายครายจังวัตถุที่เราเคยหลงวัตถุกรรมคุลต่างๆตรงนี้มันอยู่ในความรู้สึกตัวทั้งหมดเลยเป็นคุณสมบัติของความรู้เนืรู้ตัวเป็นอธิสง์ที่มันพาเราเดินทางจริงๆจากน้อยนไปหามากจากลําบากไปหาสบาย ไม่สะดวกก็สะดวกขึ้นมาเรื่นเริงเลยแป๊บๆหมดวันตั้งแต่เช้ายันเมื่อเช้ายันเมื่อนี่ยเราก็จึงน้อมเอาวันวิสาขะเมื่อสองพันหร้อปีที่ผ่านมามาเป็นวันนี้ของเราเราก็จะปฏบิบัติบูชากันไม่คิดพูดคิดคุยคุกคีอยู่กันเงียบๆเวลารู้สึกตัวรู้สึกตัวเป็นการบูชาสูงที่สุดแล้ววันนี้ทุกครั้งที่เรากลับมา รู้เนื้อรู้ตัวรู้สึกตัวกัเปนการปฏิบัติบูบบชาเนื่องในวันวิสาขาบูชากันแล้วเดี๋ยวยันนี้อาจจะมีการเวียนเทียนกันเมื่อวานอาจารย์วิชัยได้สอบถามว่าจะเวียนเทียนที่ไหนกันดีทุกปีถ้าฝนไม่ตกเราก็เวียนรอบลานหินโค้งกันแต่ถ้าฝนตกนะเราก็อยู่ศาลาหน้ากันวันนี้ก็เหมือนกันถ้ามีเขาจนถึงบ่ายสามบ่ายสี่ เมฆคลึ้มแล้วก็ท่าทางฝนมันจะเทลงมาแล้วก็อยู่ที่สถานหน้ากันแต่ถ้าเห็นว่าปลอดโปร่งดีแล้วก็อยู่ที่ลานหินโค ก, กันต่อไปอย่างนะี้ก็เป็นกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนบันวิสาขาบูช า, าวันนี้เห็นว่าสมควรกี่เวลาเนี่ยเราก็กราบพระพร้อมกันแล้วก็กลุ่มก็อยู่ที่นี่ต่อจะพาฝึกอดเจริญสติกันที่เหลือเราก็แยกย้ายกันทำธุรกิจของตนของตนต่อไปกราบพระพร้อมกัน Thank <laughs> you.